ช่วงนี้ไวรัสมันระบาดนะเราก็ต้องรับผิด ช, ชอบต่อส่วนรวมอย่างช่วงแรกๆนะที่มีข่าวนะมีคนเสนอบอกห้ามคนจีนเข้าวัดดีไหมไม่ได้คนจีนที่มาที่นี่นำมาก่อนไวลัสจะระบาด ท, ที่เอยใช้ระบบบอกว่าคนจีนช่วยกันดูแลคนจีนด้วยกัน มีคนจีนมาใหม่ก็อบอกให้เข า, าอยู่ข้างนอกวัดซะสิบสี่วันก่อ น, นะแล้วค่อยเข้ามาหลวงพ่อยังบอกทีมงานว่าที่หลวงพ่อกลัวมา ก, กว่าคนจีนนะคือคนไทยคนไทยดูยากหน้ามันเหมือนเหมือนกันคนไทยมาจากต่างประเทศนะก็ไม่ได้ต่างกับคนต่างชาติแล้วพวกนี้บางทีไม่มีวินยัยคนจีนยังมีวินัยนะ บอกอะไรก็โอเครู้กติกาก็ทำตามไม่ได้มีปัญหาคนไทยนะประเภทมนุษย์ลุงมนุษ ย, ษย์ป้าอะไรนะมีเมื่ออาทิตย์ก่อนเนะี่ยมาจอเดนมาร์กมาแล้วก็ลุยเลยนะห้ามก็ไม่ฟังมันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะช่วยกันระมัดระวังบางวัดที่ไม่ได้ ดูแลระวังเรื่องนี้นะถูกต่างปิดวัดมีมาแล้วเริ่มมีแล้วของเรามีมาตรการที่เราช่วยกันทำาเลยยังไม่โดนการปฏิบัตินะพึ่งตัวเองให้ได้เรียนรู้หลักของการปฏิบัติแล้วก็มาพึ่งตัวเองนะพึ่งคนอื่นน้อยๆพึ่งตัวเองเยอะๆจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆนะ การปฏิบัติในขั้นพื้นฐานก็คือให้รักษาศีลห้าไว้ถ้าเรารักษาศีลห้าข้อได้กิเลสมันจะเล่นงานเราได้ไม่เต็มที่โดยธรรมชาติของทุกคนที่ยังไม่ได้ฝึกนะกิเลสมันแรงทุกคนนะเมืกิเลสแรงมันจะชวนเราทําผิดศีลถ้าเราตั้งใจรักษาศีลมันกข่มใจไว้ไม่ยอมเชื่อกิเลส กิเลสสั่งให้ไปเป็นชู้กับเขาเขาไม่ยอมกิเลสสั่งให้ไปขโมยเขาก็ไม่ยอมกิเลสสั่งให้ทำร้ายคนอื่นหรือสักอื่นก็ไม่ทำอันนี้ต้องข่มใจตัวเองไหม้มันเป็นการฝึกใจในขั้นต้นในช่วงที่กิเลสมันยังรุนแรงก็ข่มใจไม่ยอมทำตามกิเลสสั่งนการที่เราไม่ยอมทำตามกิเลสไปเรื่อยๆนะนี่ว่าเรามีศีนยอยนะ ใจเราจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นใจไม่วิ่งพล่านตามกิเลสนะสมาธิมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอย่างกิเลสเกิดแล้วเราค่อยรู้ทันกิเลสเกิดเราค่อยรู้ทันเรื่อยๆไม่ผิดศีนะแล้วการที่เราค่อยรู้ทันกิเลสนะใจจะไม่ฟุง้งซ่านเพราะตัวที่ทําให้ใจฟุ้งซ่านก็คือตัวกิเลสนลั่นแหละเงี่นเราค่อยรู้ทันกิเลสที่เกิดในใจเรื่อยๆไป ลดหลดลงอะไรเกิดก็รู้เอาใจมันจะมีสมาธิดีขึ้นดีขึ้นนี่บางคนทำสมาธินะแต่ศีลไม่ดีอย่างเทวทัตพระเทวทัตเคยทำสมาธิได้ดีนะมีอภิญญามีฤทธิ์ด้วยแต่กิเลสมันแรงอิจฉาพระพุทธเจ้าก็ทำผิดศีลเช่นพยายามฆ่า พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าสุดท้ายสมาธิที่มีนี่ก็เสื่อมเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจมันมีกิเลสครอบงําสมาธิมันก็เสียไปด้วยเคยมีฤทธิ์ก็ไม่มีและวแต่ลังนะ่ะไปไหนมาไหนเราให้รูกสิษย์หามไปเคยแบบเหมือนหอได้เลยนะวิทยายุทธดีงั้นเรามีศีลวิธีรักษาศีลคือมีสติรักษาจิตตัวเองไว กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้รสน์มันก็จะดีและกิเลสเกิดขึ้นเราคอยรู้เนียจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านสมาธิก็จะดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกไหมสมาธิดีขึ้นมันจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะเราคอยรู้ทันกิเลสแล้วการที่เราคอยรู้ทันกิเลสเนี้ยต่อไปปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยว่าจิต ที่เป็นกุศลนะก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตอาบกุศลคี่จิต ท, ที่มีกิเลสครอบงำอยู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับอย่างเราคอยดูกิเลสที่มันเกิดอยู่ในตัวเราเรื่อยๆในใจเราเรื่อยๆพี่เห็นนะเดี๋ยวกิเลสก็ามาเดี๋ยวกิเลสนะ ก, นะก็ไปเราเห็นคนคน น, นี้ราคะเขาเกิดเราเห็นคนคนนี้โทสะเขาเกิดเนี่ยคอยรู้ทันใจไปเรื่อย ขั้นแรกมันก็จะได้สติได้สมาธินะต่เไ็มได้ปัญญามันจะเห็นเลยว่าจิตที่เป็นกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับในจิตที่รู้เนืรู้ตัวอยู่นะอยู่ได้ประเดี๋ยวเดียวก็ดับศีตอกุศลในจิตโลบจิตโกรดจิตลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับยังพวกเราก็ฝึกอยู่ในเรื่องของไตรสิกานี่เรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญามันคือการฝึกจิตทั้งสิ้นนะ ศีลเป็นการฝึกจิตขั้นต้นในช่วงที่จิตเรายังอ่อนแอสู้กิเลสไม่ไหวแล้วก็พยายามค่มใจข่มจิตข่มใจไ ม, ม, ม่ให้ทําตามกิเลสสมาธิก็เป็นขั้นกลางะจิตใจเริ่มมีกําลังแล้วก็ผลักกันแท้ผลักกั น, นชนะกับกิเลสเวลาจิตทรงสมาธิขึ้นมาในกิเลสก็นหนีไปเวลาสมาธิเสื่อมจิตก็ยันกลับบุกกลับเข้ามาอีกะ งั้นถ้าเทียบกับการทำสงครามเนี่ยศีลมันเหมือนกับการตั้งรับศัตรูเข้มแข็งกว่าเราพยายามตั้งรับไว้มีกำแพงคือศีลกั้นใจไม่ให้วิ่งตามกิเลสไปเวลาจิตใจเรามีกำลังมากขึ้นจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสมาทำอะไรเราไม่ได้เรียกว่ายัานกันเดี๋ยวผลัดกันแพ้ภลัดกันชนะโชคไหนกิเลสเข้มแข็งกว่านะ สมาธิเราก็แตกก็ต้องไปรักษาศีลให้ดนะีช่วงไหนสมาธิเราดีกิเลส ก, ก็แพ้ไปถอยไปใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวกิเลส ก, ก็มาอีกเช่นการเจริญปัญญานั้นเหมือนการตีกลับหนละังการรูปเป็นการรูปต่อกิเลสเข้าไปทําลายล้างกิเลสวิธีทําลายล้างกิเลสนะมีสตินะมีสมาธิใจตั้งมั่น มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีสมาธิคือมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะนั่นเรามีเครื่องมือมีสติกับสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญนะเราจะเห็นไดยว่าเดี๋ยวโลภก็เกิดนะแล้วก็ดับไปโกรธเกิดแล้วโกรธก็ดับไปหลงเกิดแล้วหลงก็ดับไปฝึกนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสุขเกิดแล้วสุข ก, ก็ดับทุกเกิดแล้วทุกก็ดับ คอรู้คอยดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเรานะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในใจเรานะมันเกิดแล้ดับทั้งสิ้นนะแล้วเวลาจะเกิดมันก็ต้องมีเหตุให้เกิดนะอย่างเราคิดในทางไม่ดีเดีคนนี้โทสาก็จะเกิดเราคิดไปในทางที่ว่าโอ้ยคนนี้สวยอย่างโ น, น้นสวยอย่างนี้นะเดี๋ยวราคะก็เกิดเนะีงั้นกิเลสนะก็มีเหตุให้เกิดไม่ใช่เกิดลอยๆ การที่เราเคยเห็นว่าสิ่งท he no no ั amar, no ้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนปัญญามันจะแก่ละขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับนะเราเห็นด้วยใจอย่างแท้จริงจะได้พระโสดาบันจะเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้เห็นอะไรเยอะหรอกเห็นแค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดา สิ่งทั้หลายเกิดนียต้องมีเหตุทั้งสิ้นเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูอยู่อย่างนี้ตอนที่ภาษาริบุตรยังไม่เจอพระพุทธเจ้านะชื่ออุปติสสะริบุตรเป็นฉายาที่พวกเพื่อพระเรียกริบุตรว่าลูกของนางสาลีชื่อจริงของท่านชื่ออุปติสสะในอุปติสสะเนี่ยลูกเศรษฐี แต่ว่ามีบุญบารมีมากมีเพื่อนชื่อโกลิตะสองคนนี้นเที่ยวเล่นเดินอยู่กับโลกตอนในวัยหนุ่มแล้วก็เบื่อรู้สึกว่าโลกไม่มีสาระเลยสองคนเลยออกบวชแต่ยังไม่เจอพระพุทธเจ้าก็ไปบวชในสำนักของอาจารย์สัญชัยปริภาชคปริญาภาชคเนี่ยเป็นพวกที่ชอบใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลตอบโต้กันใครมีเหตุผลมากก็ชนะใช้เถียงกัน คล้ายๆทางกรีกเขาก็เล่นกันเรื่องอย่างนี้นี่อยู่กับภริภากชคนะช่วงหนึ่งนะโคลิตะกับอุปติสาเขาพบว่ามันไม่ใช่หรอกวันๆนนั่งเถียงเอาอชนะคนอื่นนะไม่เห็นว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนเลยก็นะ เ, เลยตกลงกันว่าถ้าคนใดคนหนึ่งนะไปเจอครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะได้นะให้บอกกันนะได้จะพากันไปเรียน นี่วันหนึ่งอุปติสาหรือพระสารีบุตรเนี่ยไปเจอพระอาสชีเขาพระอาสชีเป็นหนึ่งในห้าของปัจจวัคคีเป็นพระอันดับห้าของปัจจวัคคีตอนที่ไปเจอพร ะ, พระอาสชิกำลังเดินบินทบาทอุปติสาก็เดินตามนะมีมารยาทพระบินทบาทเนี่ยก็ไม่กวนนะรู้ว่าพระอยู่ข้าว ก็เดินตามไปห่างๆพระชะชีบินทบาสเสร็จนั้นก็เดินไปที่ใต้ต้นไม้ mm hmm. นะสารีบุตรรีบตามไปปู่ผ้าให้นั่งจัดที่ให้นั่งนิมนต์นั่งฉันข้าวกปล่อยให้ท่านฉันข้าวฉันข้าเสร็จแล้วค่อยถามบอกว่าท่านมีผิวพรรณน้นนาเนี่ยผ่องใสนะมีผ่องใสมากกิริยาท่าทางของท่านนี่มีสติสมบูรณ์ ท่านต้องมีธรรมะที่ดีแน่นอนนะอยากรู้ว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านนะอาจารย์ของท่านสอนอะไรอยากรู้ก่อนเลยาอาจารย์สอนอะไรพระสัชชีท่านก็ถ่อมตัวนะท่านบอกท่านเพิ่งเรียนกับอาจารย์ของท่านไม่นานเพิ่งเรียนกับพระพุทธเจ้าไม่นานท่านรู้อะไรไม่มากหรอกจะมาถามว่าอาจารย์คือพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยนะกลัวว่าจะตอบได้ไม่หมด อุปเทศาก็บอกว่าไม่เป็นไรฮะท่านบอกเท่าที่ท่านรู้นะส่วนการทำความเข้าใจผมจะทำความเข้าใจเองท่านบอกมาเถอะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระสจีก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเยธมาเหตุปภวาเตสังเหตุตุงตะถาคตโตเตสัญเจโยนิโรธใจวังวาทีมหาสมโนติ มันจะครอบคลุมอริยสัจอันเนี้ยเยธรรมาเหตุปาาปปวาฝ่ายบอกว่าทำทั้งหลายเกิดจากเหตหุเริ่มตอนก็บอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุพระพุทธเจ้าสอนเหตุแห่งธรรมนั้นและสอนความดับไปแห่งธรรมนั้นพระพุทธเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้มีธรรมดาสอนอย่างนี้สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะ นั้นคำว่าสิ่งทั้งหลายเนะี่ยมีทั้งดีและชั่วสิ่งที่ดีก็เกิดจากเหตุสิ่งที่ชั่วก็เกิดจากเหตุที่ชั่วนะสิ่งที่ดีเกิดจากเหตุที่ดีพราพุทธเจ้าสอนเหตุแห่งธรรมนั้นเหตุของความชั่วก็คือตัวปัญหาเหตุของความดีคือตัวศีลสมาธิปัญญาตัวมรรคนั่นเองแม้ศนาะนะ ส, สนาพูดเป็นเรื่องเหตุกับผลล้ว น, ลวนเลยนะ งั้นถ้าเราเชื่ออะไรที่งมงายเนี่ยไม่ใช่ศาสนาพุทธนะศา ส, สนาพุทธจะเป็นเรื่องเหตุกับผลเท่านั้นเลยสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ตอนนี้เนีย่ยทาไมเราต้องเผชิญปัญหามากมายในชีวิตเราเนี่ยก็ต้องมีเหตนะุมีเหตุให้เกิดอย่างเราอยู่ในสังคมเนีเราก็เป็นคนดีนะทําไมเราติดเชื้อโลกเพราะในสังคมเนี่ยมีคนไม่ดีอยู่ ไม่ระวังตัวเองเป็นโรคแล้วไม่เราบัดระวังเรามีกรรมนะเราต้องมาอยู่ในสังคมอย่างนี้กรรมจัดสรรเรามาเราต้องมาอยู่อย่างนี้นะนะสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เกิดจากเหตุทั้งสิ้นราคาก็ต้องมีเหตุของราคาโทสะก็มีเหตุของโทสะนะทุกก็มีเหตุของทุกความพ้นทุกก็มีเหตุของความพ้นทุกงั้นเป็นเรื่องของเหตุผลทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอย ศา ส, สนาพุทธเนี่ยไม่มีคำว่าเหงนะไม่มีคำว่าโชคดีไม่มีคำว่าสวยโชคหลายไม่มีนะมีแต่ทุกอย่างมีเหตุทั้งหมดเลยงัย้นเวลาเราพออนานะอี่ยไปเชื่ออะไรที่งมงา ย, ยาไยเชื่อว่ามีวัตถุมงคลอันนี้เราจะเฮงอะไรเนี้ยโง่ที่สุดเลยนะอย่างบางคนนะเที่ยวหาวัตถุมงคลหวังว่าถ้ามีของอันนี้แล้วจะรวย ไม่มีใครรวยด้วยวัตถุมงคลหรอกรวยก็ต้องด้วยการหาไรายไดม้มีช่องทางหาไรายได้มีไรายได้มารู้จักลงทุนต่อรู้จักเก็บออมรู้จักใช้จ่ายนะั่นถึงจะรวยขึ้นมาได้มีวัตถุมงคลมันไม่รวยหรอกถ้าวัตถุมงคลทําให้เรารวยนะจะไม่มีใครขายหรกวัตถุมงคลนะนะเก็บเอาไว้แล้วรวยเองไม่ดีเลยเรื่องอะไรไปขายคนอื่น เวลาจะมาขายก็บอกแม่ช่วงนี้ร้อนเงินหรืออ้าวร้อนเงินได้ยังไงมีของวิเศษใช่ไหมเนี่ยมันโกหกกันชัดๆเลยมันต้องมีเหตุผลนะนอะไรๆที่ไม่มีเหตุผลอย่าไปเชื่อมั น, นถ้ามีวัตถุมงคลในนี้แล้วจะเห่งดวงจะดีนะคนจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่เหตุทำเหตุให้ดีมันก็ดีทำเหตุให้ชั่วมันก็ชั่ววัตถุภายนอกกระทั่งดวงดาวทั้งหลาย มากําหนดเราไม่ได้คอยดูดาวนี้มาอยู่ตรงนี้ดาวนี้อยู่ตรงนี้แล้วชีวิตเราจะเป็นอย่างนี้เอาชีวิตไปฝากไว้กับดาวนี่คือความง ม, มงายนะการถือเลิกถื อ, อยามะไรนี้ไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนะไม่ใช่ชาวพุทธหรอกให้เราเชื่อเหตุเชื่อผลไม่ใช่เชื่ออะไรที่ง ม, มงายเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะขั้นแรกอย่าไปเชื่ออะไรง ม, มงาย พยายามฝึกมีสติรู้เท่าทันใจของตัวเองกิเลสมารู้ทันกิเลสมารู้ทันให้กิเลสมาแล้วรู้ทันแล้วก็ยังสู้ไม่ไหวเด๋ยวไปผิดศีลนะถ้กิเลสมาแ ล, แล้วเรามีสติรู้นะกิเลกก็ดับไปเดี๋ยวมีแรงมันมาอีกนะนยันยันไปยันยันมานะใจมีสมาธิเมื่อไหร่ก็สู้ได้ใจไม่มีสมาธิก็แพ้ถ้านะ แ, แพ้ก็รักษาศีลให้ดีอย่าให้ผิดศีลแล้วก็เจริญปัญญา ดูความจริงของกายหองใจไปให้เห็นเลยทุกอย่างมีเหตุทั้งหมดเลยอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมีเหตุไหมที่มานั่งอยู่เนะี่ยใครเป็นคนสั่งให้นั่งจิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายนั่งอย่างเราฟังหลวงพ่อแล้วเราเห็นด้วยเราพยักหน้าเนี้ยร่างกายมันพยักหน้าเองไหมไม่ใช่เนียมันสส่หัวเองเปล่าไม่ใช่จิตเป็นคนสั่งนะให้ร่างกายตอบสนองมา แสดงการตอบสนองอารมณ์ของจิตฝั่งเรารู้เรื่องงอั้นร่างกายตอบสนองเพราะจิตมันต้องการสื่อว่าอือเข้าใจละวอันเนี้ยไม่ใช่อ่ะจิตมันสั่งให้เรากระดุกกระดิกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเคลื่อนไหวจะหยุดนิ่งมันมีเหตุที่จิตมันสั่งแล้วในใจเราล่ะจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วมีเหตุไหม เวลาจะมีสุขเ <princes, S 1> นี่ยก็ต้องมีเหตุของความสุขเราได้สัมผัสอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่พอใจนะได้กลิ่นหอมมีความสุขไหมไม่แน่บางคนกลิ่นหอมอันนี้ไม่ชอบได้กลิ่นแล้วหงุดหงิดไได้กลิ่นเหม็นแล้วหงุดหงิดไหมไม่แน่อย่างบางคนนะบ้านอยู่ใกล้ๆกลองขยะนะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เกิดเลยเราย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นตั้งนานนะพอได้กลิ่นขยะขึ้มานะ มีความสุขนะมันเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยอะไรเงี้ยหรือรสเนี่ยแม่เราทำอาหารนะไม่ได้อร่อยเลยแต่เรากินมาแต่เด็กนะเรารู้สึกอร่อยที่สุดในโลกเลยนะอาหารที่แม่เราทำเอาไปให้คนอื่นกินนะเขาสายหน้าเลยเราไปกินของอร่อยอะไรก็ตามนะกลับมากินของรสเหมือนที่แม่เราเคยทำเลี้ยงเราตัน เ, เด็กนะมีความสุขนะนนได้สัมผัสรสที่คุ้นเคยที่พอใจมีความสุข นั้นอารมณ์ Biology, ที่ทําให้เรามีความสุขนะสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขนะคืออารมณ์ที่พอใจสิ่งที่ทําให้เรามีความทุกข์คืออารมณ์ที่ไม่พอใจนะมันอยู่ที่สิ่งนั้นเราพอใจหรือสิ่งนั้นเราไม่พอใจมากระทบถ้าสิ่งที่เราพอใจนะคนอื่นเขาว่าเหม็นแท้ๆเลยอยามงคนเกลียดทุเรียนนะถ้าเราพอใจทุเรียนนะเราได้กลิ่นทุเรียนเรามีความสุขกลิ่นนั้นเดียวกันคนอื่นเขากระทบเขาบอกเหม็นเขาทนไม่ได้ เพราะงั้นเราสุขหรือทุกข์นะขึ้นมานะียไม่ใช่เพราะกลิ่นอันนั้นนะแต่เป็นเพราะกลิ่นที่ชอบใจหรือกลิ่นที่ไม่ชอบใจทำให้สุขทำให้ทุกข์ขึ้นมาโลภโกรธหลงก็ต้องมีเหตุทำไมถึงโลภนะเพราะมันอยากได้อารมณ์อันนี้มันพอใจในอารมณ์อันนี้มันติดใจในอารมณ์ันนี้มันก็โลภมันไม่พอใจในอารมณ์อันนี้มันก็โกรธนะกระทบ อารมณ์ที่ไม่พอใจในขณะที่กระทบไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตทูสาเขาเกิดนะกระทบอารมณ์ที่พอใจในขณะนั้นไม่มีสติคุ้มครองรักษาจิตราคาเขาเกิดเพราะทุก อ, อย่างมีเหตุทั้งสิ้นนะไม่มีอะไรเลื่อนลอยคําว่าโชคดีโชคร้ายไม่มีในสาระบบถ้าพวกเรารู้จักหลวงพ่อมานานๆเป็นสิบสิบปีนะจะรู้เลย หรวงพ่อไม่พูดคาว่าโชคดีไม่พูดคาว่าโชคลายเลยทำไมไม่พูดไม่เปรอที่จะพูดออกมาด้วยเพราะใจไม่เคยเชื่อเลยว่ามันมีคนจะชั่วหรือดีอยู่ที่ตัวเองทำไม่ใช่อยู่ที่โชคลางหรือดวงดาวนั้นอย่างพระเราเนี่ยบางองค์จะศึกนะ่าต้องหาเลิกศึกมุมง่ายมากไป เสียแรงบวชบวชมาทันทีนะยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอยากจะสึกเอต้องไปหาเลิกเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่แท้จริงพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นเลิกดีคืออะไรคือความสะดวกถ้าเมื่อไหร่สถานาการณ์เหมาะสมเราจะทําสิ่งที่ดีทําเมื่อไหร่มีโอกาสทําเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลิกดีนะเราจะทําความชั่วทําเมื่อไหร่เมื่อนั้นเลิกชั่ว เพราะฉะันอยู่ที่ตัวเองทั้งสิ้นนะอย่างม ง, งายนะเงินพยายามเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆที่พ่อเรามงมงายนะเสียเงินเสียทองมากมายถูกเขลอกซื้อวัตถุมงคลกันทิ่งเป็นแสนเป็นล้า น, ะ น, นอะไรย่างเงี้เยเหลวไหลเหลวไหลก็ตถวมงคลดียังไงดีเอาไว้เตือนใจเราไม่ให้ทําชั่วอย่างเราพกพระห้อยพราไว้เนี่ยเราจะทําทชั่วอายพราบ้าง อย่างจะกินข้าวนะพระอยู่ที่คอเราเนี่ยยกแก้วเราครอบหัวพระนะด้จัอายบ้างอย่างนี้พระถึงจะขลังนะนน้นั่งกินเล่าโ h กๆอยู่หลวงพระไม่ขลังหรอกงันะนะ้รักษาศีลไหมหนะลวงพ่อไหว้ต้นไม้ต้นไม้อยังคลังเลยนะเรากำหนดจิต น, นะว่าเราจะกราบพระพุทธเจ้าบางทีนั่งอยู่ในป่านะไม่มีพระ เราก็ลงก่อนนอนนะนั่งสมาธิแทนจุกรมเะยก่อนนอนนะมากราบนะกราบลงกับพื้นเองนะกราบไปทางต้นไม้สักต้นหนึ่งอะไรนะ้ทำใจว่ากาลังกราบพระพุทธเจ้าอยู่ต้นไม้ก็ขลังแล้วเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนีนะนะเราต้างรู้จักนะไม่ใช่เชื่ออะไรงมงนะายพยายามฝึกตัวเองมีสตินะ รู้ดูแล จ, จิตใจตัวเองเรืยกิเลสอะไรเกิดคอยรู้กิเลสอะไรเกิดคอยรู้สีนสมาธิปัญญามันจะงอกงามขึ้นมานะต่อไปเราใชฉลาดได้นะสมาธิิฉลาดไม่โง่ไม่งมงายนะไม่งั้นเราก็จะงมงายเชื่อตามคนอื่นก็ไปเรื่อยๆไ อ, อ้นี่ดีไอ้นี่ดีดีจริงที่ไหนอนะพอไหวไหม สรุปวิธีปฏิบัติก็คือคอยมีสติดูแลจิตใจใตัวเองนะกิเลสใดเกิดขึ้นคอยรู้ไปทำแค่นี้ทำไหวไหมนะปฏิบัติแค่นี้ไม่ได้ยากอะไรพระพุทธเจ้าบอกผู้ใดสามารถคุ้มครองรักษาจิตนะซึ่งรักษาได้ยากท่านก็ยอมรับนะว่ารักษายากเพราะจิตมันหนีไวว่าผู้ใด ตามรักษาจิตซึ่งรักษาได้ยากเนะผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมนันเราจะพ้นจากกิเลสทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแค่นี้แหละฝึกไปมีสติคุ้มครองรักษาจิตไปเอาหันไปทางโน้นมา